มีรถรุ่นใหม่คันหนึ่งนะวิศวกรนี่ออกแบบมาอย่างดีเลยทั้งแรงแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็สวยด้วยก็เป็นที่พกพอใจทั้งของวิศวกรแล้วของเจ้าของก็มีการนะนำรถเนี่ยไปวางแสดงที่โชว์รูมนะ ผู้จาการก็ตื่นเต้นดีใจมากนะที่จะได้นะเอารถคันนี้เนี่ยมาเผยแพร่ให้คนได้เห็ น, นที่โชว์รูมแต่ปรากฏว่าพอรถไปถึงโชว์รูมเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยสูงกว่าประตูหรือทางเข้าของโชว์รูมเลยเครียดกันใหญ่เลย ทั้งผู้จัดการโชว์รูมทั้งวิศวกร c ีโอก็เรียกนะคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมรวมทั้งเจ้าหน้าที่แผนกซ่อมบำรุงด้วยวิศ ว, ว, ศวกรก็เสนอว่าเนี่ยให้ทุบนะวงกบประตูทางเข้าให้มันสูงขึ้นหน่อยรถจะได้เข้าไปได้ รถเข้าไปแล้วค่อยไปซ่อมทีหลังนะซึ่งก็ไม่รู้จะซ่อมเมื่อไหร่เพราะว่าต้องถ้าเกิดมีคนมาซื้อเนี่ยก็ต้องให้รถออกไปก่อนนะพอรถออกจากโชว์รวมถึงจะซ่อมได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ทำให้มันดูดีขึ้นหน่อยแต่พอมีคนซื้อก็ต้องทุบอีกนะก็มีช่างสีบอกว่า ก็ยอมนะยอมขับรถเข้าไปมาจะมีเรียกว่ารอยขีดข่วนบ้างตรงหลังคาเพราะว่าประตูนี่มันต่ำกว่ารถแต่ว่าไอ้รอยขีดข่วนเนี่ยมันโป้ดได้นะเดี๋ยวก็กลับมาสวยเหมือนเดิม CEO ก็ไม่ชอบวิธีนี้นะเพราะว่าไม่อยากให้รถเนี่ยมันบุบสลายนะแม้แต่สีมีรอยขีดข่วนก็ไม่ชอบโต๊คิดยังไงก็คิดไม่ออกนะว่าจะทำยังไงดีบังเออเนี่ยยามนะยามเฝ้าโชว์รูมเนี่ยเห็น ว่ามีการถกเถียงกันหน้าดำคร่ำเคร่งก็เลยลองไปด้อมๆมองๆวันนี้เาทะเลาะเขาเถียงหรือว่าเขากำลังปรึกษาเรื่องอะไรกันพอรู้ว่ามีปัญหาอะไรก็ยามก็เสนอตัวนะอย่างกมิรกเมีนนะบอกว่าผมมีทางออกครับทั้งสี่โอทั้งวิศวกรแล้วก็ทั้งเจ้าที่นี่ก็หันมามอง ในใจก็ดูถูกนะว่าจะมีทางออกอะไรเหรอนี่คิดกันมาหลายคนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกอยังไงอย่างก็บอกว่าเนี่ยรถเนี่ยมันสูงกว่าประตูแค่สองนิ้วปล่อยรวมที่ล้อสักหน่อยเนี่ยนะรถมันก็จะต่ำลงแล้วก็สามารถที่จะขับเข้าไปในโชว์รูมได้ ก็บอกว่าทาได้ง่ายจริงๆนะพอไปลมนะที่ล้อเนี่ยนะนิดเดียวเองนะสองนิ้วรถก็ขับเข้าไปในโชว์รูมได้ทุกคนดีใจกันหมดเลยแล้วก็อดทึงไม่ได้นะว่ายามเนี่ยนะซึ่งความรู้น้อยที่สุดนะแต่กับเห็นทางออกที่ดีที่สุดอันนี้เรียกว่ายามมนมีปฏิพาณ์นะ แล้วที่มีปฏิพานเห็นทางออกได้เพราะว่าไม่ได้คิดซับซ้อนอะไรขณะที่คนเหล่ น, นี้อมีความคิดที่ซับซ้อนอาจเป็นเพราะเรียนสูงก็ได้นะก็เลยมองไม่เห็นทางออกง่ายๆนะปล่อยลมที่ยางลอนนี่มันก็แก้ปัญหาได้นะปัญหาหลายอย่างเนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ย คนจนวนมาเนี่ยมีนวมที่จะคิดแต่ละซับซ้อนเลยเพราะเวลานี้เรามีคนเรียนรู้สูงนะเราเพึ่งพาเทคโนโลยีที่เรียกว่าชั้นนำมากแล้วเราก็หวังพึ่งเทคโนโลยีมีบริษัทผลิตยาสีฟันนะที่จริงก็ผลิตหลายอย่างยาสีฟันสบู่ก็มีเวลาขนนะ เวลาขนสินค้าเนี่ยขึ้นรถเนี่ยแล้วก็นาไปวางขายเนี่ยบกก็ว่ากล่องหลายกล่องนะมันไม่มีสินค้าหรือมีของไม่ครบบางทีก็เป็นกล่องเปล่าแต่ว่ากว่าจะรู้ก็สายไปซะละไปถึงห้างแล้วถึงจะรู้ว่ากล่องเปล่าเพราะว่ากระบวนการขนส่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนนะมันก็ใช้เครื่องจักรตลอด ก็มีบริษัทร้านค้าก็ต่อว่าผู้ผลิตว่าทําไมถึงส่งกล่องเปล่ามาบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะก็เลยคิดหาทางว่าทํำยังไงนะจึงจะป้องกันไม่ให้มีกล่องเปล่าเนี่ยมันไปถึงร้านค้าปรึกษาวิศวกรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ลอง ใช้เครื่องเรียวกว่าเอกซเรย์ ray. ตรงสายพานเนี่ยเพราะเวลาจะผลิตสินค้ามก็มีสายพานและสายพานการผลิตตอนที่บรรจุยาสีฟันเนี่ยลงกล่องเนี่ยแล้วขณะที่กล่องมันกำลังเลื่อนมาตามสายพานนีก็ใช้เครื่องเอกซเรย์ ray. ถ้าเกิดว่ามันเป็นกล่องเปล่า เครื่องก็จะส่งสัญญาณให้สายพานหยุดและเจ้าหน้าที่หรือว่าคนงานที่เฝ้าสายพานอยู่ก็เพียงแต่ยกกล่องนั้นออกจากสายพานก็จะเหลือแต่กล่องที่มีสินค้าอยู่ข้างในวิธีนี้เนี่ยนะมันมันแพงนะแต่ว่าจำเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชื่อเสียงของบริษัทนะ จะต้องเป็นที่ไว้วางใจดังนั้นซีโอก็เลยให้มีเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยติดตั้งอยู่ทุกสายพานเลยโอ้สายพานนี่มันมีเป็นหลายสิบสายพานนะก็ปรากฏว่าสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีกล่องเปล่าเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านค้าได้ในกันผู้คิดค้นเนี่ยวิศวกรเนี่ย แล้วก็ลองศึกษาดูนะว่าสายพานนี้ไอ้เซนเซอร์ที่มันได้ผลแค่ไหนแล้เพราะมันมีสายพานนึงนะไปถามเ้าว่าเนี่ยไปถามเจ้าที่เนี่ยว่ามีกล่องเปล่าไหมมีกล่องเปล่าหลุดมาไหมคนงานบอกมีวันหนึ่งก็สี่ห้ากล่องที่เป็นกล่องเปล่าเจ้าพิศษกลก็แปลกใจนะว่า อา้ามีกล่องปลาแล้วทำไมไม่หยุดสายพานนะเพระปกติเครื่องมันจะบอกนะว่าจะมีกล่องปล่าเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้หยุดสายพานแล้วก็ให้พนักงานหรือคนงานเนี่ยยกกล่องออกไปจากสายพานแล้วบอกผมไม่จําเป็นเลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องนี้เลยนะปิดสวิตช์มันซะเลยเพราะว่าพอปิดแล้วเนี่ยมันไม่งั้นมันหยุดอยู่เรื่อยมันทําให้กัดจังหวะการทํางาน เอาแล้วทำยังไงอ่ะเขาบอกก็ใช้พัดลมเนี่ยพัดลมพัดลมแรงๆเป่ากล่องไหนเนี่ยที่มันว่างเปล่าเนี่ยพอมันโดนพัดลมปลั๊มก็มันก็หลุดจากสายพานเองโดยที่ผมไม่ต้องเป็นไม่ไม่ต้องไปหยุดไม่เป็นต้องไปหยุดหรือไม่ต้องให้เครื่องเนี่ยมันหยุดการทํางานสายพานก็ยังไหลไปเรื่อยๆแต่ว่ากล่องเปล่านี่ก็ ถูกเป่าถูกพัดลมเป่าไปบอกกัว่าคนที่คิดเนี่ยก็เป็นคนงานธรรมดานะไม่มีความรู้อะไรมากแต่วิธีการของคนงานคนนี้นี่มันง่ายมากเลยพัดลมนี่ราคาตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตัวไม่กี่บาทนะสี่ห้าร้อยนะแล้วก็มันทำงานได้ดีด้วยเพราะว่าสายพานนี่ไม่เป็นต้องหยุดนะมันก็ยังไหลไปเรื่อยๆแต่เครื่องเซนเซอร์ที่ว่านี่นะ นอกจากราคาแพงแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเจอกล่องเปล่ามันต้องหยุดมันจะสั่งให้สายพันหยุดซึ่งมันก็เป็นการกระทบนะกระบวนการผลิตอันนี้ก็เป็นความฉลาดนะของคนงานเนี่ยซึ่งไม่ได้มีความรู้มากนะแต่ว่าวิธีการเขานี่มันมันได้ผลดีกว่าดีกว่าวิศวกรที่จบมาสูงจบด็อกเตอร์มา ใช้เทคโนโลยีีซับซ้อนราคาแพงแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเรื่องนี้มันก็เป็นบทเรียนสอนว่าเนี่ยบางทีปัญหาหลายอย่างเนี่ยถ้าเราไม่คิดซับซ้อนมันก็มีทางออกที่ง่ายแต่ว่าคนเรามักจะไม่ค่อยมองหาทางออกที่ง่ายเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้คิดซับซ้อนตั้งแต่แรกแล้ววิธีการมันก็เลยซับซ้อนไปด้วย